ปรารัทนัตรัยพระพุทธประธานประสุมขออการคณะสงฆและเมชยญาติโยมท่านใจผู้ที่นับปฏิบัติธรรมทันหลายขอคว <c oughs> าออม ด, ดีที่ได้พบกันปีนี้ก็ตา้มา ก็ได้มาก็เข้าพรรษาได้แล้วก็คิดว่าคนจะเป็นพีทีี่สิสก็ท่านแต่บทสามหนึ่เนี่ยก็ขามายูวัดป่าสุกะตัวแห่งนี้ก็ได้รู้สึกสดชื่นเบิกบาน ชาวบ้านก็เรียกกัตมามาที่สลาใหญ่แต่ของก็ใช้สลาใหญ่ก็จะที่สอนช่างสอนนะก็ช่างหนุนนี่ก็ไม่ได้เรียบร้อยก็มีปัจจุ่มกันพระเจ้าบ้านก็มากันหลายคนกัตมาก็ไม่ได้คิดจะเป็นธรรมาราพระเจาบ้านก็ตัดสินใจว่าจะ เป็นปตัตตกเป็นพ่อเป็นแม่แทนให้เขาคิดว่าตรงนั้นนี้เป็นปตกเป็นพ่อเป็นาปารู้แล้วก็แม่ก็เป็นแม่ ผู้ควายให้โอ้ตัณมาก็รู้สึกดีใจยันยิ่งแล้วก็อะไรเดินขบวนในมือบ้านจำได้ไหมรอบบ้านโอ้สนุกดีตัตมาก็ได้ประสบการณ์เป็นการแรกไม่ไกลคิดจะบวชเป็นอย่างนั้นก็อ้ก็อาศัยก็ สัปดาของเจ้าบ้านที่นีก็เป็นบานไม่ไใจจะเดินตั้งแต่ก่อนแล้วก็ออกไปบวชที่อำเภออําเภอแกงข้อวัดชัยสามหมอก็อ่าจักณะอําเภอจอนั้นนี้ก็จําเป็นเจ้าการจังหวัดก็บวชให้ก็เสร็จแล้วก็ขึ้นมาสุกตโต ก็ตั้งแต่นั้นแหละก็อรตมาชีวิตก็เปลี่ยนแปลงยันยิ่งแต่กองก็ก็โมพูดไม่รู้วัดสิแก้ปัญหาชีวิตยังไงเหตุจำได้ที่สิีามีความสุขได้แท้จริงอาตมาก็บม่รู้ก็ เายหาหลนทางกันก็หาแสบ um หาความสึกถางวัตถุกันอยู่มีเงินมีมมทองมีรถมีอะไรก็ก่อนจะมีความสึกคิดอย่างนั้นแต่ก่อนแต่ว่าไดา้ประสบการ ม, มาแล้วก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าทัา้มาตอนนั้นนี่ก็ก็เคยทำงานอยู่ก็ได้ รายได้ก็ดีห้าหมื่หกมืนต่อเดือนแต่ว่ายันรู้สึกว่าไม่พอใจทาไมมีความสุขเพราะว่าอยากได้นี้ได้แล้วก็จะอยากได้อีกก็ไม่รู้จักกิเดสปังไม่รู้ว่าความอยากเป็นทำลายตัวเองอยังไง ก็เลยทำไปแล้วก็มันรู้สึกทุกข์กมากขึ้นมากขึ้ น, นแต่ว่า mm hmm. อาบวชแล้ว mm hmm. ก็ชีวิตที่ดุ๊ง่ายงย mm hmm. อยู่ในป่าชีวิตเป็นสั้นโดด mm hmm. เป็นป่าไม้ mm hmm. เป็นสั ป, ปะยะออ mm hmm. กออกไปวินธบาท mm hmm. ก็ก็เดินยันเดียว แล้วก็อาลบบาศไฮพนอ้ได้มีความสกขอ๋มีความสึกนี่ก็อยู่ตอนนี้แต่ก่อนนี้ก็หาความสุขทางการดันโมกแล้วก็อนาคตแต่ว่าอารมณ์พ่อเขสอนให้มีความสุขที่แท้ทจริงก็อยู่ที่นี่อยู่ปัจจุบันนี้ แล้วก็อยู่ที่นี่เราไม่ต้องหาสแอนหาที่อื่นก็ค่อยๆเข้าใจขึ้นตอนแรกๆก็ชีวิตที่เรียบง่ายๆนี่เป็นสินไม่ใช่บังคับเราสิ่ง น, นี่ก็สั่งมวนแล้วก็ช่วยเหลือ ชีวิตกอนเราได้ไม่ได้ทำผิดพลาดผู้ผิดผู้ร้ายคิดร้ายทำร้ายก็ก็ได้มีความทุกข์นี่ก็เป็น ว่าจะบวชสามเดินก็อกอกสึกไปแต่ว่าธรามาก็ตัดสินใจจะบวชไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่ามันชีวิตมีก็อ่ารู้สึกมันประณีตมากขึ้นแต่ก่อนนี้ก็หยาบๆยาบเขาทำอะไรก็อ่า Yap yeah. คงก็ประสบการณ์แต่ว่าเรายังไม่รู้จักว่าบิธีแก้ไขก็หลมความทุกข์ได้ทุกทุ ก, ทกเวลาแต่โชคดีนะพวกเราก็ได้ สาจงจังหวะแล้วก็สร้างดุจงกรมรู้สึกดูกายดูใจไปเรื่อยทำเล่นต่อเนื่องนี่ก็มันเป็นธรรมชาติดีนะอาตมาก็แต่ก่อนก็ชอบสมมติกันอยู่แต่ว่าสมมติออกจากส ม, มัติแล้วมันก็มันทุกข์ใจก็มีแต่ก่อนเสียงมาจาก ูมบ้านเอเชียนดันลำพรนหรือว่าหนังกลางคืนตลอดคืนก็รู <c> ้ <oughs> สึกว่ามั่ววายกันแต่ว่านี่แหละตอนแรกๆก็มันติดกับสงบแต่ว่าต่อไปก็รู้ออนี่ก็เป็นธรรมดาธรรมชาติราเจ้าบ้านก็สนุกสนานก็ยินดีด้วยก็รู้สึกว่ามันก็ จิตใจก็สงบลมมีเสียงเข้ามาอะไรก็ก็พออ่าอยู่ได้ไม่มีปังหาได้ก็เป็นอ่าชีวิตก็มีอ่าเป็นปกติเป็นธรรมาธรรมชาติมากขึ้น มีอะไรสัมผัสเสียงก็เป็นธรรมชาติได้แต่โดยเฉพาะที่นี้ก็เป็นป่ามีเสียงสัตว์เสียงนกก็รู้สึกยินดีได้ด้วย แล้วเห็นสีเขียวเขียวกริ่งก็เป็นธรรมชาติาธรรมชาตินี่แหละที่เป็นปกติก็ให้เรามีความสุขอยู่ได้ถ้าเราอยากได้นี้อยากได้นู่นแปงว่าถุเป็นอะไรสารพัดก็ยิ่งมันทุกลมแต่ว่าถ้าเราก็อยู่กับธรรมชาติบรรยากาศนี้ก็ อยู่เป็นสูขได้ก็เข้าใจว่าอย่างนี้นอกจากนั้นก็เป็นธรรมชาติตามด้านจิตใจก็ไม่ต้องอยากได้นี่อยากได้นั้นก็อยู่กับกายอยู่กับใจเป็นปกติก็มีความสุขอยู่ได้แค่เดินเน่นเดินจ้องกลม ยกมือหรือว่าดูลมหายใจก็มีความสุขอยู่ได้ถ้าเราไม่มีอยากได้นี่อยากได้นั่นโดยเฉพาะนี้ก็สมยกมือแล้วก็เดินจองกรมนี้ก็ออกกำลังคายทางกายด้วยกายก็เป็นปกติก็อยู่เป็น อ่าสัพยะต่างกายด้วยเราไม่ต้องบังคับอ่าอะไรกันมอกแต่ว่าเดือ่อเฉยบานทีก็มีความอ่าเจ็บปวดอะไรก็เกิดขึ้นก็ดือมันโดือดเฉยเฉยไปบางทีก็ รู้ส uh, mm ึก hmm. ด er ีใจเสียใจหรือ hmm. ว uh, ่าเบื่อหน่ายอะไรเกิดขึ้นก็ดูไปเรื่อยแต่ตอนนี้ก็อาต้นน้องมีสึกมีเวทนาดีๆไอคิดอย่างนั้น ก็มันทึกใจได้แต่ว่ามันเป็นธรรมชาติอยู่งายก็เจ็บบ้านหิวบ้านหรือว่าร้อนบ้านหนาวบ้านแต่ว่าเราก็มันดูอยู่เฉยเฉอไม่ต้องทะเลาะกับมันก็อยู่กันได้ไม่ต้องวุ่นวายทางด้านนอกก็มีอะไรหลายอย่าง ด้านในก็มีอะไรไร้ยางมันเป็นสารพัดบังเกิดขึ้นเป็นดับไปแต่นา น, นิจันตลอดมันอะไรเกิดอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วก็มันเป็นผู้ที่ดูแต่ก่อนนี้ไม่รู้เป็นผู้เห็นอย่าเป็นผู้เป็นให้เป็นผู้ดูน่หลวงพ่อก็บอกบ่อยแต่ธารมาก็ไม่คู้ยรู้ ในความหมายอะไรแต่ปฏิบัติแล้วก็รู้ขึ้นว่าอ๋อนี่แหละเป็นผู้ที่ ด, ด, ดูดูกายเป็นอาคารอะไรสรพัดเกิดขึ้นใจก็มังก็อาคารอะไรสารพัดความคิดก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวถ้าเราไม่ได้ถูก เฉยๆดูไปด้วยเดินไปด้วยเป็นมีสติสตินี้ก็เป็นอ่ากือคืนสนับสนุนชีวิตให้เป็นปกติ อะไรก็มันปุมเต็มไปปรุมเต็มไปนี่ก็มันทุกไปสับสมบ่มวายกันก็เกิดขึ้นที่ใจร้อนใจก็เกิดขึ้นใจก็นวยเหียวแหยใจก็กุ้มใจเศร้าใจอันนี้ก็มันก็เป็นจิต รื้อเต็มไปด้วยมันสาเหตุก็มันจิตมันเป็นปิดปกติเพราะาเราลืมสติสติก็มันมีแล้วก็มันก็ไม่ให้เกิดเรื่องเป็นดาวไปได้ยือไปเป็นธรรมชาติธรรมชาติเราไม่ได้ยึดมั่งกับถือมั่ง กับสินอะไรต่างๆที่เกิดขึ้ในที่ใจเป็นธรรมชาติก็ปล่อยไปปล่อยไปเราไม่ต้องเป็นอ่า ฝึกไปด้วยก็ดับไปก็จิตขอเรานี่ก็เป็นไม่ไม่ได้ฝึกมาก็ ก็เป็นไฟไหม้เป็นไฟไหม้ป่าก็ได้ก็เออ <c oughs> จบ็บก่อนเรานี่ก็อยู่กับปัจจุบันนี้ก็เป็นตรอไปถ้าเราคิดอดีตอนาคตก็ ให้กลับมาเป็นปัจจุบันไปก่อนถ้าเราเป็นเช่าข้อนอยู่ที่ปัจจุบันได้แล้วก็ความคิดอดีตอนาคตก็เราก็ใช้ได้เรื่องอดีตที่เกิดขึ้นอยู่ที่ความจำของเราว่าแต่กอ่อนนี่เราทำผิด ถ้าเราไม่ได้ฝึกมาไม่ได้เป็นเจ้าของก็ความปิดอของอดีตงอดรู้สึกว่ า, าเจ็บใจคิดมาแล้วก็ไม่สบายใจแล้วก็ทะเลาะกับตัวเองทะเลากะกับเรื่องนี้เรื่องนั้นแต่ว่าถ้าเราเป็นเจ้าคองแล้วก็ให้เป็น ความผิดทางอดีตก็เป็นเอ่อเป็นบทเรียนได้บทเรียนว่าอา้าสมัยของนธ่ทำ ผ, ผ, ผิดอย่างงั้นก็เลยมันได้ผมก็ปิดอย่างงั้นก็ต่อไปก็พยายามที่จะไม่ให้ทำอย่างอดีตให้เป็นอาธรรมดีก็เป็นมีความรู้จาก ความผิดพลาดของเรื่องอดีตก็ได้เราไม่ต้องเจ็บใจกับเรื่องอดีต ท, ท, ที่เราทำมาก็ เ, าเป็นบทเรียนก็ขอบคุณได้ด้วยก็คิดอนาคตมึงกันถ้าเราไม่ได้ฝึกมาไม่ได้เป็นเจ้าของมันคิดความคิดมันก็เป็น พาเราภัยความทุกข์ได้เพราะว่ามันพ้คิดอนาคต อ, อนาคตก็ก็ความงำวงความครัวก็เกิดขึ้นว่าอนาคตเป็นยังไงเป็นยังไงคิดไปคิดไปแล้วก็เราก็เรื่องที่อา่าไม่ดีมันเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็เขาาให้รู้จักว่าอาคิดนะจ คิดเรื่องนี้ก็คิดอนาคตก็ตามคิดอดีตก็ตามก็คิดอยู่ในปัจจุบันนั่งแองเรื่องที่ไม่ได้เป็นเอ่อเป็นความจริงก็เราก็สร้างขึ้นมาเอนเรื่องอนาคตไปว่าเป็นกรรมบมเป็นอย่างนี้อย่า ง, งนันแต่ว่าเราก็อ่ากลับมาอยู่ปัจจุบันโอ้ความคิดนั่นแหละ อันนี้เป็นไม่ใช่ความจริงก็คิดความอนาคตก็ก็คิดดีก็ได้อนาคตว่าเป็นอย่างงี้ถ้าเราปัจจุบันพยายามพยายามก็อนาคตก็ดีก็อนาคตก็ได้ผลอย่างที่เราทําในปัจจุบันนี้ก็ตามมาได้ แล้วก็เรื่องที่นัน่นคิดว่าเรื่องที่นั่นนี่ก็มันเป็นเรื่องของเขาแล้วก็เรื่องเราไม่ไม่ใช่เรื่องเรานี่ก็มันก็มันเจนเจนได้ไหมสิ่งที่ทุกข์ก็ดีสิ่งที่ความกรดก็ดี ก็ทุกครั้งก็เกิดขึ้นที่ใจเราเองไม่ได้อยู่ที่นั่นบางทีมีคงว่าด่าเราก็เราก็คิดว่าเขาไม่ดีก็ความโกรดแต่ว่าจริงๆแล้วมันความโกรดก็สร้างก็มาเองถ้าเราพูดไม่ดีว่าดา่าก็เราก็พิจารณาว่า จริงหรือเปล่าถ้าเร า, าพิจารณาแล้วก็อ้าจริงเขาพูดจริงก็เราก็ยอมรับมันแม้ว่าเสียงไม่ดีเสียงไม่เพาะก็เรากา็ยอมรับเพราะว่าเขาก็าให้ข้อมูลที่ทำให้เราแก้ไขชีวิตของเราเองได้ แม้ว่าเขาโกรดก็ไม่เป็นไรแตถ่ถ้าเขาพูดจริงก็เราอยอมรับแต่ถ้าเขาไม่เอ่อพูดไม่จริงมันเข้าใจผิดเราก็พยายามที่จะแนะนาให้เขาเข้าใจไปได้เราไม่ต้องโกรดมันกรดมันความโกรดนี่ก็มันทุกข์ใจ ก็เกิดขึ้นเกิดด้วยตรงแอมถ้าเรามีอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาจากด้านนอกจากเสียงจาก อ, าอะไรต่างๆหรือว่าอะไรเกิดขึ้นอยู่ที่ใจถ้าเรารับรู้แล้วก็มีปัญญามีสติเอามาเป็นทำดีไว้ ก็ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็ทำอย่างมีประโยชน์ได้เหมือนกับว่าเป็นแม่บ้านทำอาหารบันทีก็อาหารมันเป็นของสดหรือว่าของอ ยังไม่สดยังสดสดก็ยังกินแล้วก็มันขมขินแล้วก็เป็นปวดท้องได้ถ้ากินสดส ด, สดแต่ว่าเราก็ทำอาหารเป็นปิ้งหรือว่ า, าต้มหูนข้าวก็เราก็ทำเป็นปร ะ, ยะโยคต่อ ฐางร่างกายได้ด้วยก็เหมือนกับว่ า, าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากอายตนะทางหกมีสีเสียงสัมปัตกริง่งแล้วก็พุทธปะ ทำมาอารมณ์เกิดขึ้นมาก็เอามาเป็นทำให้ดีก็ถ้าเป็นเรามีสติจะไม่ได้เป็นธาตุาของมันก็ยังเป็นมีความาหมายที่ดีต่อทุกสิ่งทุกอย่าง ได้ยังไงก็ตามเราก็ต้นสัมปัสตาง6หกอัตนาก็เราก็เอามาเป็นใช้ประโยชน์ก็มีชีวิตก็เจริญ อ, อาุ่นเดือนได้นะครับก็ทำมาก็รู้สึกว่าคิดว่าเป็นจอกดี มาอยู่วัดภาสกัโตที่นี่แล้วก็ อ, อยู่กับครูบาอาจารย์ที่ดีนิ่นพอคำเขียงก็ดีริ่นพ่อกลมก็ดีก็ทันแต่ธรรมาบวชก็ทำให้ผมมีความรู้แล้วก็ให้อบพุนใจทลอด ก็เลยเกิดศรัทธาเร่มใสต่างนั่นใจปฏิบัติมาก็คิดว่ามันเป็นชีวิตมันก็เป็นถูกต้องอยู่<ม>ก็เพราะว่ามันความทุกข์มันบันเท่าลดหล่นลดลอมมีความสูกอยู่เป็นธรรมชาติเป็นปกติก็ ยิ่งกึ้นยิ่งกึ้นไปชีวิตมันเป็นการแสมศึกไม่ได้บ่มบายนี่ก็เป็นคิดว่าเป็นผมแต่เปรียบับเทียบกับกองที่จะบวชก็อ๋อก็เปลี่ยน 100% จริงๆก็ <c oughs> <c oughs> ขอก็คือนอันโมทนาเนียก็รำผู้ ก็ค so ือวาจาทุกท่านแล้วก็ผู้ที่เอ่ชาวบ้านสัทธาช่วยอำนวยทำให้สะดวกตอนนี้ก็ก็กำลังก่อสร้างห้อน้ำใหม่ด้วยก็กคิดว่าก็อยู่ยังมีความสุขไปเรื่อยๆก็ขอบคุณที่ได้ มีความอบปุญใจต่อผมแล้วก็มีความรู้หลายอย่างก็คุณโมทนาด้วยนะครับก็คิดว่าพอสมคองเกเวลาก็ก็จบผู้เพียงแค่นี้